สวัสดีคุณผู้ฟังพราเจอผีทุกท่านด้วยนะคะก่อนอื่นบีเองก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยที่คุณผู้ฟังบางท่านนะะี่ยอาจจะไม่ได้ชอบในส่วนของเรื่องซีรีส์ต่างๆที่บีนํามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันบางท่านก็อยากจะฟังเรื่องเล่าที่มาจากทางบ้านอย่างเดียว ก่อนอื่นบีก็ต้องขออนุญาตแจกแจงก่อนนะคะว่าตามเจตนาของบีเองก็อยากจะให้ทางช่องเนี่ยมันมีเรื่องเล่าหลากหลายให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันถึงกระนั้นบีก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องเล่าจากทางบ้านซะนะคะก็ยังมีผสมลงไปวันละ1คลิปนะคะและแน่นอนค่ะ ว, ว่าวันนี้บีก็มีเรื่องมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเป็นเรื่องสมัยเด็กๆนะคะของคุณออมค่ะคุณ อ, อมบอกว่า เชื่อว่าหลายๆคนไม่กลัวผีหรือว่าไม่เชื่อว่ามีจริงคุณ อ, อมเองก็เป็นอีกคนนึงเหมือนกันที่ไม่กลัวแล้วก็ไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่นะคะจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งค่ะซึ่งคุณ อ, อมบอกว่าจำได้ว่าตอนนั้นอายุน่าจะประมาณสัก9ถึงขวบนี่แหละก็โตพอที่จะรู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรแล้ววันนั้นก็ปกติเหมือนทุกวันใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปที่แบบกินข้าวพร้อมกันหน้าจอทีวีอะไรแบบนี้เนาะ พอกินข้าวเสร็จแล้วก็กินผลไม้ตามแล้วก็ด้วยความที่ไม่ชอบวางขยะไว้ในที่ที่กินข้าวก็เลยเดินออกไปทิ้งหลังบ้านนะคะซึ่งตอนนั้นเวลาทานข้าวเนี่ยเป็นเวลากลางคืนประมาณทุ่มสองทุ่มนี่แหละนะคะพอเดินไปถึงหลังบ้านค่ะซึ่งบ้านของคุณ อ, อมอยู่ในหมู่บ้านก็จริงแต่ว่าตากับยายเนี่ยเป็นคนรักธรรมชาตินิดหน่อยก็เลยปลูกต้นมะขามหวานกับต้นมะพร้าวน้ำหอมไว้ ต้นใหญ่แล้วก็สูงพอสมควรระหว่างตรงกลางก็จะมีกระท่อมใหญ่ๆเอาไว้นั่งเล่นนอนเล่นของคนเฒ่าคนแก่แถวบ้านนอกบางวันนะคะก็มานั่งชุมนุมคุยกันเรื่องการเมืองกันเรื่องนู่นนี่นั่นกันแล้วก็ประตูหลังบ้านนะคะก็เปิดออกไปเนี่ยเบิ่งเบี่ยงไปทางขวานิดนึงก็จะเจอกับต้นมะพร้าวถัดไปทางซ้ายก็จะเป็นกระท่อมถัดไปอีกเป็นต้นมะขามด้วยความที่ คุณออมเองเนี่ยนะคะทานข้าวเพิ่งเสร็จก็จะมีการแคะฟงแคะฟันอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่นะคะซึ่งพอทิ้งเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปไหนก็ยืนมองออกไปข้างนอกตอนนั้นก็ไม่ได้เห็นอะไรผิดปกตินะแต่ว่าพอจะกลับเข้าบ้านค่ะตานดันเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างอยู่บนต้นมะพร้าวเข้าใจฟิลแบบคนเจอคนหล่อเตะตาไหมคะคุณผู้ฟังที่บังเอิญเห็นแล้วก็ต้องกระตุกหน้าไปมองอีกรอบหนึ่งอารมณ์ประมาณนั้นละค่ะพอหันกลับไปมองอีกนี่เจอเต็มๆเลย เป็นผีค่ะเบสิกมากผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อสีขาวนุ่นนั่งอยู่บนต้นมะพร้าวแล้วแบบไม่ได้นั่งทำหน้านิ่งๆนะมาทั้งอ้าปากเป็นทางยาวเลยละค่ะยาวมากตาเหลือกจนลูกตาเนี่ยถลนออกมานอกเบ้าเลือดไหลออกมาจากตาเป็นทางยาวเลยแล้วแบบขาวทั้งตัวเหมือนเป็นตัวเรืองแสงได้เนี่ยนะคะคุณออมบอกรออะไรล่ะคะเจอกันขนาดนี้ ขนลุกเลยแหละค่ะแต่ว่าด้วยความที่คุณออมเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้หญิงที่ออกห้านิดๆคิดในใจว่าเอ๊ะมันตัวอะไรวะตาฝาดหรือเปล่าก็เลยลองขยี้ตาดูแต่ว่าก็ยังเห็นอยู่ดีเลยพยายามเพ่งดูแบบจริงจังเอาเลยทีนี้ตัวจริงหลอกจริงค่ะ ยิ่งพยายามจ้องทั้งปากทั้งตาทั้งเลือดมาหนักกว่าเดิมก็เลยแบบข่มใจไว้บอกตัวเองว่าไม่วิ่งไม่วิ่งเลยตีเนียนเดินดูดขี้ฟันเข้าบ้านไปแล้วก็ไปเจอน้องพอดีอายุห่างกันสองปีนึกอะไรได้ก็ไม่รู้เลยอยากจะแกล้งน้องสักหน่อยหนึ่งบอกว่าจะพาไปดูของดีที่อยู่หลังบ้านก็เลยจับมือพาวิ่งออกมาดูแต่ก็ไม่เจอแล้วนะคะเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่คุณออมบอกว่าไม่ได้แต่งขึ้นนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆสาบทสาบานที่ไหนก็ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็เป็นการเห็นผีครั้งแรกในชีวิตที่แบบเห็นจังๆจๆัดจ่ะเป็นตัวเป็นตน ําเหตุการณ์นั้นติดตามมาจนถึงทุกวันนี้และต่อต่อมาก็มีโอกาสนะคะวันดีคืนดีเห็นอยู่เรื่อยๆเลยนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะคะอาจจะไม่ได้ยาวอะไรมากมายนะคะก็ต้องขออนุญาตคุณ อ, อมด้วยก็แล้วกันที่นำเรื่องนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังชแนลพระเจอผีบน YouTube ได้ฟังกันค่ะ เรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่มาจากแฟนเพจพระเจอผีส่งเข้ามาทางกล่องข้อความนะคะบอกว่าสวัสดีครับผมฟังพระเจอผีจาก YouTube มานานแล้วแล้วก็ได้ฟังคลิปเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับทางภาคใต้ก็เลยนึกได้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังอาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่ามันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับโดยส่วนตัวของออคนที่ส่งเรื่องเข้ามาเองเนี่ยบอกว่า โามาในบ้านของคนมอญที่เป็นคนมอญทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ค่ะในจังหวัดสมุทรสาครเรื่องผีผีสางๆหรือว่าความเชื่อต่างๆจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีคือเห็นมาตั้งแต่จำความได้แล้วก็เลยทำให้มีความเชื่อเล็กๆว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะมีอยู่จริงแต่ว่าเขาก็อยู่ในทางของเขาคนจะเจอคงจะต้องมีเซนหรือว่าต้องมีอะไรพิเศษถึงจะเห็นหรือว่าสื่อสารกันได้ แต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ต้องเปลี่ยนความคิดแทบจะทั้งหมดเลยนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นคือเกือบเกือบ -8 ปีที่แล้วมีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นอายุราว20ปีพี่คนนี้ค่อนข้างที่จะอายุมากกว่านิดหนึ่งนะคะแต่ก็มีแฟนอายุเท่ากันกับเจ้าของเรื่องนี่แหละสมมุติว่าเขาชื่อพี่ A ก็ลากันแล้วก็แฟนเขาชื่อพี่ B นะคะแล้วทีนี้เนี่ยวันหนึ่งแฟนของ A อเนี่ยอยากจะไปเที่ยวงานฟูมูลที่เกาะพะ ง, งนัน แต่ด้วยอายุของ A เยอะแล้วเขาก็กลัวว่าไปกับแฟนสองคนอาจจะไม่สนุกก็เลยชวนเจ้าของเรื่องนี่ไปเป็นเพื่อนอย่างน้อยๆเลย B ก็จะได้มีคนที่อายุใกล้เคียงไว้เดินเที่ยวเล่นที่นั่นพี่ A ก็ขับรถออกจากนนทบุรีตอนประมาณเที่ยงคืนได้ค่ะขับเรื่อยๆตามระษาแกนี่แหละไม่ได้รีบร้อนอะไรแวะพักบ้างถ่ายรูปบ้างจนกระทั่งไปถึงท่าเรือที่ดอนสัก ประมาณ5้าโมงเย็นแต่ว่าแทนที่จะรีบไปดูเรือเฟอร์รี่ที่จะข้ามไปเกาะพั ง, งนันพี่เอแกก็กลับตัดสินใจเหว่าจะพักที่แถวๆนี้ก่อนแล้วค่อยข้ามไปเกาะพรุ่งนี้นั่นก็เลยทำให้บีแฟนพี่เอเนี่ยไม่ค่อยพอใจค่ะตัวของเจ้าของเรื่องเองก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วค่ะนั่งเงียบๆซึ่งพี่เอก็ขับรถไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาที่พัก ขับไปได้สักพักใหญ่ๆก็เจอค่ะแต่ว่าระหว่างทางที่มาเนี่ยคือข้างทางเจ้าของเรื่องมองออกไปจากเบาะหลังคนขับมันเป็นแบบฟิลส่วนยางไงคะคุณผู้ฟังคือสองข้างถนนเนี่ยมีต้นยางสูงเป็นระเบียบเรียบร้อยมองได้ลึกเข้าไปแบบลึกมากเลยนะ ตรงไหนไม่มีสวนยางก็จะเป็นป่าเป็นพงหญ้าซึ่งเจ้าของเรื่องเรียกป่าแบบนั้นไม่ถูกว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าลักษณะนะคะคล้ายๆกับมีต้นยางประปรายแต่ก็รกๆนะคะบ้านคนก็น้อยทีนี้พอถึงที่พี่เอ ก, ก็ลงไปสอบถามเพื่อจะไปเช็คอินเข้าที่พักที่พักก็เป็นเหมือนรีสอร์ทเล็กๆค่ะไม่ได้พลุกพ่านอะไรแล้วก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากเพราะว่ามัวแต่ปลอบบีอยู่ว่าข้ามเกาะไปพรุ่งนี้ก็ได้ แต่ว่าอยู่ๆค่ะคุณผู้ฟังคุณ B แฟนคุณ A เนี่ยก็เปิดประตูรถเดินลงไปหาพี่ A แล้วก็คุยกันประมาณ1นาทีแล้ว B ก็เดินกึ่งวิ่งออกไปจากที่พักคือแบบเดินย้อนออกไปทางที่รอเข้ามานี่แหละเจ้าของเรื่องก็งงสิฮะทีนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงจากรถไปหาพี่ A พี่ A บอกว่า B เนี่ยงอน เพราะว่าเขาต้องการที่จะข้ามไปเกาะพั ง, งันคืนนี้พี่เอก็เลยบอกกับบีว่าตอนนี้ถ้าไปเนี่เรืออาจจะไม่มีแล้วแต่ว่าบีเหมือนจะดื้อไงคะคือจะไปให้ได้ยังไงก็ต้องไปให้ได้ก็เลยประชดพี่เอดยการเดินไปท่าเรือเองแล้วก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งออกไปจากตรงนั้นพี่เอก็เลยให้เจ้าของเรื่องเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องที่พักต่อส่วนพี่เอก็วิ่งตามไปตรงทางออกของที่พัก คือเห็นเขาวิ่ง2คนนี้วิ่งวิ่งไปแล้วก็หยุดยืนมองอะไรก็ไม่รู้อยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาด้วยทําท่าไม่พอใจก็บน่บนๆว่าเออช่างมันจะไปไหนก็ไปแต่สักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังพี่เก็บอกว่าให้ไปที่ห้องเลยนะเดี๋ยวพี่มาเพราะว่า B ีเนี่ยคงวิ่งไปแล้วเมื่อมองไม่เห็นแล้วคงต้องขับรถออกไปตามละค่ะซึ่งตอนนั้นเวลาเราเราวหกโมงครึ่งกว่าๆแล้วโผล่เพลจะมืดแล้ว แต่ว่าด้วยทางภาคใต้ของบ้านเราเนี่ยคืออาจจะมืดช้ามัง้งหรือยังไงก็ไม่รู้อาจจะคิดไปเองหรือเปล่าคือ6กโมงสี่สิบกว่าแล้วเนี่ยจะทุ่มนึงแล้วแต่ว่ายังมีแสงเรื่อๆ อ, อยู่นะคะคือมองเห็นอยู่หลังจากนั้นพี่เอก็ขับรถออกไปเพื่อที่จะไปตามบีกลับที่พักตัวงเจ้าของเรื่องเองก็เข้ามานั่งรอในที่พักค่ะจนได้ประมาณทุ่มเกือบครึ่งพี่เอกับบีก็กลับเข้ามาพร้อมกันโดยที่บีเนี่ยร้องไห้ตลอดเลยพี่เอก็จัดการให้บีนี่นอนพัก แล้วพี่เอก็ออกไปคุยอะไรสักอย่างหนึ่งกับคนเฝ้าที่พักสักครู่เดียวค่ะพี่เอเดินกลับเข้ามาซึ่งตอนนั้นนะคะเจ้าของเรื่องก็คิดละวคว่าสองคนนี้ทะเลาะกันแต่ว่าทั้งคู่บอกว่าเปล่าไม่ได้ทะเลาะเกิดความสงสยัยอยากรู้ว่าไม่ได้ทะเลาะกันแล้วทาไมบีถึงร้องไห้ขนาดนี้คือร้องแบบกลัวสติแทบไม่มีอยู่กับเนื้อกับตัวเลยพี่เอก็เลยเริ่มเล่าเรื่องก่อนเลยแกบอกว่า พอขับรถออกไปตามทางค่ะมองหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอขับออกไปเรื่อยๆจนคิดว่าไกลมากมากกว่าที่ B จะวิ่งมาได้ก็ไม่เจอค่ะก็เลยตัดสินใจขับรถกลับทางเดิมรอบแรกนี่ไม่เจออะไรนะแต่ทีนี้นี่พอขับอ่าพอขับรถกลับมาถึงที่พักก็เลยวนรถออกไปใหม่ขับไปเรื่อยๆนะคะคือระยะทางที่พี่เแกขับออกไปตามหา B ีนี่ค่อนข้างไกลมากพี่เก็เลยชี้ให้ดูตอนขากลับ ขับรถเกือบสินาทีได้เลยแต่ที่เจอ B เนี่ยไม่ไกลขนาดนั้นรอบสองถึงเจอพี่ A บอกว่าขากลับรอบที่สองเนี่ยพี่ B ีแกเดินออกมาจากป่าข้างทางพอดีแสงไฟรถที่สาดไปเจอไม่ไกลจากตรงนี้ก็เลยได้รับกลับมาก็เลยถาม B ว่าไปไหนมา B สะอื้นแล้วก็บอกว่าตอนที่วิ่งออกไปจากที่พักนะ่ะคือโมโหมากคิดอย่างเดียวว่าทายังไงก็ได้ให้ไปถึงท่าเรือ พอวิ่งไปได้ไม่ไกลเขาก็เจอกับกลุ่มวัยรุ่นคนเอ่อเจอกับวัยรุ่นคนหนึ่งอะนะคะคือยืนอยู่แล้วก็ชวนคุยว่ากำลังจะไปไหนคุณบีก็เลยบอกว่าจะไปท่าเรือแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้วัยรุ่นคนนั้นฟังบอกว่ามากับแฟนแต่ว่าแฟนไม่พาไปท่าเรือเขาก็เลยจะไปเองก็คุยๆกันละค่ะแล้ววัยรุ่นคนนั้นบอกว่าจะพาไปให้มาทางนี้บีก็เลยบอกว่าตอนนั้นมีสตินะแต่ก็เดินตามไปเพราะว่าอยากไปท่าเรือ วัยรุ่นคนนั้นก็นำพาเดินจากถนนเนี่ยเข้าสวนยางฝั่งที่รกๆเดินไปคุยไปจนมืดค่ะบีบอกว่ายิ่งเดินยิ่งรกใจก็ยิ่งไม่ดีขึ้นคือมันมืดแล้วมันรกด้วยมันน่ากลัวด้วยในใจตอนนั้นก็เลยอยากจะกลับบ้านอธิษฐานกับพระอ่ากับพระเจ้าคือคุณบีเข้าเป็นคริสเนะคะว่าอยากกลับ พอเดินเดินไปค่ะคุณผู้ฟังบีก็ถามไปเรื่อยๆว่าใกล้ถึงหรือยังวัยรุ่นคนนั้นก็ไม่ตอบแต่ก็เดินนำหน้าไปเรื่อยๆบอกในใจได้ยินเสียงคนบอกให้กลับกลับนะอย่าตามไปบีก็เลยหยุดเดินเหมือนกับสติเนี่ยกลับมานะคะ ภาพตรงหน้าคือเล้าไก่ร้างๆผูผูพังๆที่ข้างล่างนี่เป็นบ่อปลาคุณรู้ฟังบี B. บอกว่าแค่เดินไปอีกไม่กี่ก้าวก็จะทะลุตกลงไปในบ่อปลาร้างๆนั่นแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นนี่บีตกใจมากทั้งกลัวทั้งอะไรทุกอย่างเขาตะโกนเรียกหาัวรุ่นคนนั้นอยู่พักนึงแต่ว่าวัยรุ่นคนนั้นเนี่ยเดินนำไปแล้ว แสดงว่าเขาต้องตกลงไปในบ่อน้ํานั่นแล้วแน่นอนซึ่งตอนนั้นบีมองไม่เห็นอะไรได้ไกลมากเพราะว่ามันค่อนข้างมืดและก็มีต้นไม้สูงสูรกรกแต่ว่าเขาก็ยืนยันนะว่ามันไม่สามารถที่จะมีใครเดินเข้าไปในเล้าไก่ข้างหน้าได้คือมันห่างกันแค่ไม่กี่ก้าวเนี่ยนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันผุพังแล้วก็มีรอยทะลุใหญ่ๆวัยรุ่นคนนั้นหายไปแบบดื้อๆค่ะ ก็เลยตัดสินใจเดินกลับออกมาพร้อมกับอธิษฐานขอให้เจอทางออกแล้วก็เจอแสงไฟรถไกลๆเลยรีบวิ่งออกมาพอออกมาใกล้ก็เลยรู้ว่าเป็นรถของแฟนตัวเองและทีนี้เนี่ยคือพี่เอออกไปคุยกับคนเฝ้าที่พักพี่เอแกล้งไปถามนะคะชวนคุยถึงบริเวณแถวๆนั้นคนเฝ้าที่พักบอกว่าตรงนั้นเนี่ยคือสวนยางร้างจริงๆเนี่ยเคยมีพวกวัยรุ่นเข้าไป เท่าที่จำได้จริงๆอะนะเขาบอกว่าเมาหรืออะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็มีเรื่องอะไรนี่แหละแต่ว่าเขาตกลงไปในบ่อน้าใต้แล้วไก่นั่นเน่เสียชีวิตซึ่งพาบีเล่าจบค่ะทุกคนเก็บข้าวของตอนสองทุ่มกว่าๆออกมาจากที่พักนั้นแล้วกลับกรุงเทพเลยแต่ว่าตอนที่รถเลี้ยวออกที่พักผ่านหน้าสวนยางรกนั้นมันเหมือนใช้เวลาเป็นปีเลยนะเหมือนมีคนจ้องมองอยู่จนออกมาที่ถนน ที่มีรถส่วนไปมาถึงได้โล่งใจขึ้นแล้วก็กลับกรุงเทพโดยไม่ได้ไปเที่ยวเกาะพั ง, งานกันเลยนะคะจริงๆเรื่องนี้อาจจะไม่ได้น่ากลัวแล้วก็อาจจะเล่าไม่สนุกซึ่งมันผ่านมาแล้วนานมากแต่ว่าอารมณ์ตอนนั้นเชื่อเต็มร้อยกับสิ่งที่บีเจอเพราะว่าบรรยากาศรอบตัวนี่มันกดดันมันดูอึดอัดแย่มาก ก่อนที่ทั้ง3คนเนี่ยนะคะจะตัดสินใจเดินทางกลับกรุงเทพกันค่ะขอบพระคุณเพจพระเจอผีนะครับที่มีเรื่องเล่ามาแชร์ให้ผมฟังผมชอบฟังก่อนนอนเสียงคุณบีทำให้ผมพูดไทยชัดขึ้นขอบคุณจริงๆครับอาจจะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกบ้างพิมพ์ในโทรศัพท์ต้องขอโทษด้วยนะครับแม่พิมพ์แค่นี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะโดยที่บีเองเนี่ยไม่ต้องเรียบเรียงใหม่เลย และบีเองก็ต้องขอพระคุณสำหรับเรื่องที่ส่งเข้ามาด้วยนะคะยังไงนั้นก็ขอให้ติดตามเพจพระเจอผีแล้วก็ช a n น l บนย t u b e พระเจอผีไปตลอดก็แล้วกันนะคะ มาทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องราวของวิญญาณผีตายโหงกันนะคะคุณผู้ฟังเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่อำเภอนางรองนะคะเป็นเรื่องราวที่ย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่ผ่านมาชาวบ้านบ้านผักหวานนะคะต่างพากันโจษจันถึงเรื่องราวความเฮี้ยนของวิญญาณนายบัวคำจอเสงกันอย่างหนาหูหลังจากที่นายบัวคำเนี่ยต้องมาจบชีวิตตนเองลงเนื่องจากความน้อยใจในตัวนางกลิ่นผู้เป็นภรรยาค่ะ นายบัวคำก็ตัดสินใจปลิดชีวิตตนเองด้วยการแขวนคอตายก็ต้องกลายเป็นผีตายโหงอยู่ในสวนมะม่วงหลังบ้านในค่าวันที่ฝนตกหนักฟ้าขนองโดยในขณะนั้นนางกลิ่นก็ไม่ได้อยู่บ้านปล่อยให้ในายบัวคำนี่ยอยู่ตามลําพังทั้งที่รู้นะคะว่านายบัวคำนั้นเนี่ยกำลังเกิดอาการเครียดแล้วก็หวาดระแวงว่านางกลิ่นเนี่ยกำลังอาจจะสวมเขาให้ตนเองจนเกิดมีปากเสียงกันอยู่เสมอค่ะ สาเหตุก็เนื่องจากในระยะหลังๆนี่นางกลิ่นมักแสดงท่าทีสนิทสนมกับนายเชิดเด็กหนุ่มรุ่นน้องที่มารับจ้างทานาทำให้ในายบัวคำเนี่ยเกิดความไม่พอใจก็เลยพูดจาตักเตือนภรรยาตัวเองไปทีนี้เมื่อพูดจาตักเตือนแล้วแทนที่ภรรยาหรือว่านางกลิ่นเนี่ยจะรับฟังค่ะกลับไม่สนใจหาว่านายบัวคำเนี่ยคิดมากจนกลายเป็นโรคประสาท ก็เลยหลบหนีไปอยู่บ้านแม่ชั่วคราวนะคะจนกระทั่งมาทราบข่าวที่หลังว่านายบัวคาเนี่ยได้มาจบชีวิตตัวเองลงด้วยการผูกคอตายไปซะแล้วนางกลิ่นก็มีลูกชายอยู่หนึ่งคนยังไม่ค่อยโตนักนะคะแต่ก็พอช่วยเหลือตัวเองได้เรื่องอยู่เรื่องกินนะคะ ไม่ต้องคอยช่วยเหลือมากมายหลังจากนายบัวคําตายนางกลิ่นก็นําลูกไปฝากให้ผู้เป็นยายช่วยเลี้ยงให้ส่วนตัวนางกลิ่นเองนั้นก็ยังอาศัยอยู่บ้านที่เคยอยู่กับนายบัวคําเสื้อผ้าของนายบัวคําบางตัวค่ะที่ยังมีสภาพดีอยู่นางกลิ่นก็ไม่เอาเก็บไว้แต่ได้ยกให้ในายเชิดที่เป็นลูกจ้างทำนานายเชิดก็รับไว้เพราะว่าเขาเป็นคนไม่กลัวผีแล้วก็ไม่รังเกียจว่าเป็นของคนตายด้วยยินดีซะอีกนะคะประหยัดเงิน ก็เลยรับไว้ด้วยความเต็มอกเต็มใจแต่ทีนี้พอในเชิดได้เสื้อผ้าไปแล้วค่ะก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นที่บ้านของในเชิดเรื่องประหลาดเรื่องนี้กล่าวก็คือเสื้อผ้าที่ได้รับไปนั้นเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นเน่าทุกตัวไม่ว่านางนุ่มเมียในเชิดจะซักฟอกสะอาดอย่างไรแต่ว่ากลิ่นเหม็นเน่านี้ยังคงติดอยู่เสมอขณะเดียวกันเ ด, นดียวกันค่ะคุณผู้ฟังนางกลิ่นเองก็ฝันไม่ค่อยจะสู้ดีนะัก ฝันว่าถูกวิญญาณของในบัวคำเนี่ยมาเข้าฝันแสดงท่าทางเกลี้ยกราดหาว่าเอาเสื้อผ้าไปให้ชูใส่นางกลิ่นก็ตกใจเกิดความหวาดกลัวมากค่ะที่วิญญาณในบัวรำมาเข้าฝันแล้วก็ยังมากล่าวหาว่าในเชิดนี่เป็นชู้เหมือนเช่นตอนที่ยังไม่ตายทั้งที่ความเป็นจริงแล้วตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ในบัวคำก็ระแวงในเชิดว่าจะตีท้ายกลัวกลัวว่าจะเอาใจออกห่าง เพียงเพราะว่าเห็นนางพูดคุยกับนเชิดอย่างสนิทสนมเกินกว่าเป็นลูกจ้างทํานาในสายตาของนายบัวคำเองก็เท่านั้นยิ่งเมื่อนางกลิ่นได้ยินข่าวนะคะว่าเสื้อผ้าที่ให้ในเชิดไปเนี่ยมีกลิ่นเหม็นเน่านางก็เลยคิดว่าผีของนายบัวคำคงทําให้มันเป็นแบบนั้นแน่นอนเพราะว่าเสื้อผ้าที่ให้ในเชิดไปนั้นเป็นเสื้อผ้าดีไม่ค่อยได้ใช้อีกทั้งยังซักสะอาดเอี่ยมอ่องไม่มีทางแน่นอนที่จะมีกลิ่น ะะก็เลยหวาดผวาขึ้นมาหาจนรู้สึกเป็นทุกข์ใจก็เลยไปบ้านหลังน้อยของนายเชิดไปบอกว่าสงสัยจะเหม็นเพราะผีตาหงผัวกระทำนางนุ่มภรรยาในเชิดก็ตกใจค่ะที่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผีตายหงในบัวคําเนี่ยกระทำก็เลยบอกกับนางกลิ่นว่าอยากให้นางกลิ่นเนี่เอากลับคืนไปเถอะเพราะว่าไม่ได้อยากจะได้เสื้อผ้าเหล่านั้นเก็บไว้ในบ้านอีกต่อไปแล้วแต่ว่านางกลิ่นตอบว่าอืมเอาเก็บไปเถอะให้ไปแล้ว แล้วนางก็จุดทูบบอกดวงวิญญาณของนายบัวคาให้เองพอกลับบ้านค่ะนางก็นั่งกลิ่นเนี่ยนะคะก็รีบจุดทูบบอกกล่าวต่อดวงวิญญาณของสามีก็คือนายบัวคาตามที่พูดแต่ก็ปรากฏว่ากลิ่นเหม็นก็ไม่ยอมจางหายทำให้เสื้อผ้าเหล่านั้นของนายเชิดเนี่ยไม่ได้สวมใส่ไปไหนเลยเมื่อเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อะนายเชิดก็เสียดายมากนางนุ่มก็ออกความเห็นว่าน่าจะเอาไปคืนนางกลิ่นนะ ในเชิดก็เลยเห็นดีเห็นงามด้วยก็เลยพากันเอาเสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยไปคืนนางกลิ่นตอนแรกนางกลิ่นก็จะไม่รับคืนแต่ว่านางนุ่มไม่ยอมเอากลับนางกลิ่นก็เลยต้องรับเอาไว้ที่นี้พอในเชิดกับนางนุ่มกลับไปแล้วค่ะนางกลิ่นลองดมเสื้อผ้าเหล่านั้นดูก็ไม่เห็นว่าจะมีกลิ่นอะไรเหม็นอย่างที่นางนุ่มแล้วก็ในเชิดบอกเลยนางก็เลยเก็บเสื้อผ้าไว้ในตู้โดยไม่ได้หยิบออกมาอีก แล้วคืนนั้นนั้นเองคุณผู้ฟังนายบัวคําได้มาเข้าฝันนางกลิ่นอีกครั้งบอกให้เผาเสื้อผ้านั้นซะอย่าให้ใครแต่ว่านางกลินเนี่ยผู้ที่เป็นภรรยาที่เกิดเสียดายไม่อยากทําแบบนั้นก็เลยไม่ได้เผาไปให้นายบัวคําตามที่ได้มาเข้าฝันบอกจนวันเวลาผ่านไปค่ะในเชิดได้กลับมาเป็นลูกจ้างทํานาให้กับนางกลิ่นอีกในหน้าไทหวนันนางกลินก็บอกกับในเชิดว่าเสื้อผ้านี่ยังอยู่นะหากว่าในเชิดจะเอาไปใส่ก็ได้คงไม่เหม็นแล้ว แต่ว่าในเชิดเนี่ยโอ้ไม่ยอมรับค่ะเพราะว่าเข็ดหลับแล้วบอกว่าไม่อยากเสี่ยงอีกเจ้าของเขาไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปเอาของเขาเลยซึ่งความเป็นจริงแล้วคุณผู้ฟังในเชิดนั้นเนี่ยเป็นคนนิสัยดีค่ะนางกลิ่นเองก็อาจจะมีใจชอบเขาอยู่บ้างเลยนะประกอบกับตัวของนางเองก็เป็นแม่ไม้เปล่าเปลี่ยวใจก็เลยเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามเล่าลือขึ้นกล่าวก็คือชาวบ้านพากันล่ําลือค่ะว่าทั้งสองนี่แอบได้เสียกันในเวลาต่อมา เรื่องนี้พูดไปก็อาจจะเป็นบาปเพราะว่าไม่มีใครเห็นกับตาเอาเป็นว่ากล่าวตามปากชาวบ้านว่าก็แล้วกันแต่ครั้เมื่อเสร็จหน้านาแล้วนะคะปรากฏว่าอยูย่ๆค่ะในเชิดก็เกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุเขามักจะร้องตะโกนออกมาด้วยความหวาดกลัวสุดขีดในยามกลางคืนบอกว่าผีในบัวคำเนี่ยมาหลอกมาหลอนแล้วก็ดันไปเอาเสื้อผ้าขอนบัวคํามาใส่ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่กล้าสวมใส่เลยเพราะว่ามันเหม็นเน่า ตอนหลังก็ไม่สนใจว่าเหม็นหรือไม่เหม็นอก็สวมไปละกันไปไหนมาไหนก็สวมใส่ไปชาวบ้านต่างก็พากันพูดซุบซิบนินทาค่ะว่าในเชื้อเนี่ยโอ้มันได้ทั้งเสื้อของผัวเก่าได้ทั้งเมียของเจ้าของเสื้อด้วยผีใต้โหงของนายบัวคาซึ่งหึงหวงทั้งเมียทั้งเสื้อผ้าอยู่แล้วก็เลยอาจจะติดตามมาหลอกหลอนเอาอยู่ไม่เป็นสุข ก็ต้องหวาดกลัวผีนายบัวคำจนไม่กล้านอนหลับหละนะคะร่างกายก็เลยเริ่มสู้ผอมจนถึงขั้นล้มป่วยในเชิดผอมจนเกือบตายนางนุ่มภรรยาจึงไปขอน้ํามนหลวงพ่อมาให้กินพอกินเข้าไปเท่านั้นค่ะดิ้นทุรนทุรายปวดท้องอย่างหนักนางนุ่มก็ให้กินอีกถึง3ครั้งจึงคืนสติขึ้นมาแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับนางกลิ่นอีกไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามขออย่างเดียวอย่าให้ผีนายบัวคำมาหลอกมาหลอนตนเองเท่านั้นก็เป็นพอ นี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นจริงเมื่อครั้งอดีตนานมาแล้วนะคะซึ่งชาวบ้านผักหวานในยุคสมัยนั้นก็เชื่อกันค่ะว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าแรงแค้นของวิญญาณผีไตหงในบัวคำที่มาเล่นงานในเชิด จ, จนปางตายเพราะว่าแรงห่วงอย่างแน่นอนค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังกันประจำวนันนี้ขอบคุณสาหรับการติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิป แล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีให้กับบีด้วยพร้อมเข้าไปกดถูกใจใน Facebook f แฟนเพจพระเจอผีด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของเราได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ